ความซื่อสัตย์สุจริตต้องไม่มีมานยาสาไถ่สิบเราเป็นพระเป็นเนนต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตไม่มีมานยาสาไถหมกเม็ดมีเลขกลมมีอะไรก็ต้องกราบเรียงครูบาอาจารย์หมดทุกอย่างเพื่อจิตใจจะได้ขาวสะอาดปฏิบัติจะได้ไม่ติดขัดเช่นมีความอยู่ในใจว่าจะเดินทางไปที่โน่นที่นั่นที่นี่ มีการวางแผนไว้แล้วแต่กราบเรียงครูบาอาจารย์เพียงอย่างเดียวเมื่อไปถึงที่นั่นก็ต่อไปในที่ต่างๆเท่าที่กิเลสมันจะบงการพระเนนทุกวันนี้นิสัยเสียมากจัดเป็นพระสเปสปะพระกาฝากพระไม่มีแก่นไม่มีสาระบางทีไปไหนก็ไปเลยไม่บอกลาไปแล้วค่อยมาบอกทีหลังโทรศัพท์มาขอโอกาสให้โยมมาขอแม้แต่จะไปรับกิจนิมนต์ พอจะกลับเข้าถึงวัดได้แวะตั้งหลายแห่งการที่เราจะเดินทางไปไหนเราต้องแจ้งให้ครูบาอาจารย์ทราบล่วงหน้าว่าไปกี่วันไปที่ไหนบ้างไม่ว่าจะไปเดินทุดงที่ไหนครูบาอาจารย์จะได้รู้ว่ามันเหมาะมันควรไหมพระประเภทนี้วันวันหนึ่งคิดจะหาวิธีออกจากวัดเพื่อระบายอารมณ์มีใครบ้างจะพาไปมีใครบ้างจะเอารถไป เดี๋ยวไปเยี่ยมที่โน่นเยี่ยมที่นี่ไม่มีความหนักแน่นเหมือนคนไม่มีเจ้าของอาจารย์บอกแล้วก็ไม่ฟังบอกว่าอย่าไปทำอย่างนั้นเดี๋ยวจะไปออกหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งเมื่อเราปล่อยนิสัยของเราไปเรื่อยๆก็ยากที่จะเปลี่ยนนิสยัยเพราะหนังมันหนาเป็นคืบๆมันด้านก็เตือนผู้ที่จะปฏิบัติตามพระพวกนี้เพราะกว่าจะรู้ว่ามันผิดมันก็สายสิยแล้วเหมือนรถคันใหญ่ ไอยู่ในถนนเล็กๆจะกลับหลังก็กลับไม่ได้